ภาวะอาการที่บังเกิดขึ้นดังกล่าวไม่มีรูปร่างดังเช่นเวทนาความรู้ เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขที่บังเกิดขึ้นทางกายก็ดีทางจิตใจก็ดีเป็นสิ่งที่ไม่มีรูปร่างมีอาการมีภาวะ ที่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขเหมือนอย่างเมื่อถูกแดดก็ร้อนเป็นทุกข์เมื่อได้รับลมก็เย็นเป็นสุข อาการที่เป็นสุขเป็นทุกข์ทางร่างกายนี้ไม่มีรูปร่างแต่ว่ามีภาวะมีอาการทางจิตใจก็เช่นเดียวกันสัญญาความจำได้หมายรู้ต่างๆจำรูปจำเสียงเป็นต้น ก็เป็นอาการหรือเป็นภาวะทางจิตใจสัญญาความคิดปรุงหรือความปรุงคิดก็เป็นภาวะอาการทางจิตใจวิญญาณความรู้รูปทางตาที่เรียกว่าเห็นรู้เสียงทางหูที่เรียกว่าได้ยิน รู้กลิ่นทางจมูกรู้รสทางลิน้นรู้สิ่งถูกต้องทางกายที่เรียกว่าทราบกลิ่นรพพทราบรสทราบผลพรู้เรื่องราวทางใจที่คิดที่รู้ต่างๆ ที่เด็กว่ารู้เรื่องก็เป็นภาวะอาการทางจิตใจเพราะฉะนั้นนามจึงเป็นชื่อของอาการหรือภาวะทางจิตใจและทางร่างกาย ดังกล่าวก็เป็นอันว่าได้ทำความเข้าใจถึงเรื่องนามธรรมา ท, ทั้งสี่นี้เข้าไปถึงตัวนามธรรมา ท, ทั้งสี่นี้ แต่เขาควรจะทราบให้ยิ่งงินไปอีกว่าภาวะอาการของจิตใจทั้งสี่ดังกล่าวมานี้เป็นไปอย่างไร และคำว่า น, นามจะมีความหมายที่ยิ่งไปกว่าชื่อดังที่กล่าวมาแล้วหรือไม่ ในข้อนี้ก็ตอบได้ว่ายังมีความหมายที่ยิ่งไปกว่าเพียงคำว่าชื่อดังกล่าวคือคำว่านามนี้ ตามรูปศัพท์ก็เป็นอันเดียวกันกับคำว่านัมมะหรือนัโมที่เราทั้งหลายสวดกันอยู่สวดนำในการสวดมนต์ ไหว้พระและสวดนำว่านำการที่จะวาดถึงสารณคมและศีลคือนโมตสสะภะโวโตอะระโตสัมมาสัมพุทธสั ที่แปลว่าขอนอบน้อมพระภูทมีพระภาคอารหันตสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นคำว่าน้ำก็มีมูลสับเป็นอันเดียวกันคือแปลว่าน้อม แต่ว่ามีความหมายว่าเป็นอาการของจิตใจที่น้อมออกไปรู้อารมณ์คือเรื่องทั้งหลาย คือว่าจิตใจนี่เมื่อแสดงตามอภิธรรมเมื่อไม่มีอารมณ์ย่อมเป็นทวังขจิตจิตที่ อยู่ในภวังตามสับก็แปลว่าองค์ของภพซึ่งท่านเปรียบเหมือนอย่างน้ำในทะเลมหาสมุทรที่สงบอยู่ ในขณะที่ยังไม่มีลมไม่มีคลื่นคือเมื่อไม่มีลมน้ำก็ไม่มีคลื่นสงบเรียบอยู่จิตโดยปกติเมื่อยังไม่มีอารมณ์ก็เป็นพวังขจิต แต่เมื่อมีอารมณ์มากระทบทวารคือประตูทั้งหกดังที่ได้เคยอธิบายแล้วมีอารมณ์มากระทบประตูตาหูจมูกลิ้นกายและกระทบมโนทวารคือประตูใจ จึงออกจากภวังน้อมออกรับอารมณ์อาการที่จิตน้องน้อมออรับอารมณ์นี่ก็รับด้วยวิธีรู้คือรู้อารมณ์ ซึ่งทีแรกก็รู้ในเมื่ออายตนะภายในอายตนะภายนอกมาประจบกันก็รู้รูปที่เรียกว่าเห็นรูปรู้เสียงที่เรียกว่าได้ยินเสียง รู้กลินรู้รสรู้ผลภัที่เรียกว่าทราบกลินทราบรสทราบผลิภัรู้ธรรมะคือเรื่องราวที่เรียกว่ารู้เรื่องราวก็ตัง้งศัพท์เรียกว่าวิญญาณและเมื่ออาณาจตนรภายนอกภายในกับวิญญาณทั้งสามนี้ประชุมกัน ก็เป็นความรู้ที่แรงขึ้นเรียกว่าสัมผัสเมื่อเป็นสัมผัสความรู้ก็แรงขึ้นเป็นรู้เป็นสุขรู้เป็นทุกข์รู้เป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขที่เรียกว่าเวทนาแล้วก็รู้จำที่เรียกว่าสัญญา แล้วก็รู้คิดปรุงหรือปรุงคิดต่างๆที่เรียกว่าสังขารแล้วจิต ก, ก็ตกพวังกลับไปสู่ภาวะที่เป็นพื้น การเมื่อมีอารมณ์มากระทบทวารทั้งหกนี้อีกจิตก็ออกจากผวังมารับอารมณ์โดยวิธีที่รู้ดังกล่าวนี้เป็นอารมณ์อารมณ์ไปแต่ว่าเพราะเป็นสิ่งละเอียดะรวดเร็วมาก จึงยากที่จะรู้แยกได้อันนี้เป็นวิถีจิตซึ่งเป็นธรรมชาติธรรมดาอาการที่จิตออกรู้ อารมณ์ดังกล่าวนี้แหละเรียกว่านามคือว่าจิตน้อมออกไปรู้เหมือนอย่างยื่นมือออกไปจับสิ่งนั้นสิ่งนี้และเมื่อจับสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วก็กลับมาตามเดิม มีอะไรมาก็จับใหม่เพราะฉะนั้นจร่งเรียกววนนามนามในประเทศอธิบายนี้ท่านแสดงว่าได้แก่เวทนาคือความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขสัญญา ความรู้จำจำได้ไหมรู้เจตนาความจงใจภัสสะคือความกระทบมนสิกาลการกระทําไว้ในใจก็ขันห้านั่นแหละแต่ว่าแสดงในที่นี้ที่ซ้ำกับขันห้าก็คือเวทนากับสัญญา ส่วนอีกสคือเจตนาผัสสะมนศสิการไม่ซ้ำกับขันหแต่ก็สรุปเข้าได้ในสังขารคือความคิดปรุงหรือความปรุงคิด คือเจตนากับบัณสิกาตปัจจะนั่นละเป็นสัมผัสก็เป็นเบื้องต้นของเวทนาตัวจันนั้นยังเป็นอันวัดสรุปเข้าได้ในเวทนาสัญญาสังขารส่วนวิญญาณ น, นั้นไม่ได้แสดงอธิบายไว้ในในที่นี้ เพราะว่าได้มีแยกออกไปในข้อสองที่ว่าเพราะวิญญาณเกิดนามารูปยังเกิดคือนำวิญญาณไปแสดงไว้ในเหตุเกิดของนามารูป โยบิญญาเป็นเ ห, เหตุเกิดต้องนา ม, มารูปเพราวิญญาณเกิดนา ม, มารูปยังเกิดเพราะฉะนั้นจึงไม่แสดงวิญญาณไวในทีน่นี้ส่วนรูปนั้นก็ได้แสดงแยกออกไปเป็นมหาภูตธ ร, รูปสี่และอุปาทายรูปรูปอาศัยแห่งมหาภูทธ ร, รูปทั้งสี่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 ในข้อสมาธิทิความเห็นชอบมาถึงตอนที่ท่านได้แสดงว่าสมาธิทิความเห็นชอบ ก็คือรู้จักนามรูกรู้จักเหตุเกิดแห่งนามารูกรู้จักความดับแห่งนามารูกรู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งนามารูก และท่านก็ได้แสดงอธิบายไปทีละข้อดังที่ได้แสดงแล้วและได้แสดงอธิบายขยายความในที่นี้ในข้อแรกคือข้อรู้จักนามรูป ได้แสดงนามมาแล้วจะได้แสดงรูปต่อไปอรรูปนั้นก็ได้นำมาใช้กันในภาษาไทย เป็นที่รู้จักกันเห็นรูปร่างหน้าตารู ป, ปกายตามศัพท์คำว่ารูปนั่นแปลว่า ธรรมรุดสิ่งใดย่อมธรรมรุดสิ่งนั้นชื่อว่ารูปนามความหมายก็หมายถึงรูปที่เป็นรูปอระั หรือที่เป็นรูปปกายและได้มีแสดงอธิบายไว้เป็นสองอย่างตามพระเถรอธิบายนั่นเองก็คือ มหาภูตรูปกับอุปาทายรูปมหาภูตรูปรูปที่เป็นภูตะใหญ่ภูตะก็แปลว่าสิ่งที่เป็น สิ่งที่มีรูปที่เป็นสิ่งที่มีสิ่งที่เป็นส่วนใหญ่เรียกว่ามหาภูตรูปก็ได้แก่ ธาตุทั้งสี่ที่ประกอบอยู่ในกายคือในรู ป, ปรกายนี้อันได้แก่ส่วนที่แข็งแข็ง บรรดาที่มีอยู่ในกายนี้ก็เรียกว่าปฐวีธาตุธาตุดินส่วนที่เออบาบเหลวไหลบรรดาที่มีอยู่ในกายนี้ก็เรียกว่าอาโปธาตุธาตุน้ำ สิ่งที่อบอุบ่นบรรดาที่มีอยู่ในกายนี้ก็เรียกว่าเตโชธาตทาดไฟสิ่งที่พัดไหว บรรดาที่มีอยู่ในกายนี้ก็เรียกว่าวายโยธาธาดลมธาดทั้งสี่บรรดาที่มีอยู่ในกายนี้นี่แหละคือมหาภูต ร, รูปทั้งสี่ อันแปลว่ารูปที่เป็นมหาภูตคือที่เป็นธาตุส่วนใหญ่ประกอบเข้าเป็นกายเมื่อธาตุทั้งสี่นี้ยังคุมกันอยู่ กายนี้ก็ย่อมดำรงอยู่คือเป็นกายมีชีวิตเมื่อถาดทั้งสี่นี้แตกสลาย ความดำรงอยู่แห่งกายนี้ก็สิ้นไปชีวิตก็สิ้นไปทางพระพุทธศาสนาพระบรมศาสนา ได้ทรงแสดงทาตทั้งสี่นี้อันเป็นส่วนมหาพุทธ ร, รูปดังกล่าวเป็นกรรมฐานดังเช่นที่เรียกว่าธาตุกรรมฐาน หรือจตุธาตุบวัตานะกำหนดธาตุทั้งสี่และก็ยังได้ตรัสแสดงวิธีพิจารณาธาตุกรมธานนี้ จำแนกออกไปเป็นอาการต่างๆสำหรับอูปฏิบัติจะได้หยิบยกขึ้นมาพิจารณาแม้ในทางที่เป็น ปฏิกูละคือเป็นปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดไม่งดงามและสำหรับในด้านพิจารณาให้เห็นว่าปฏิกูลไม่สะอาดไม่งดงามนี้ ก็มักยกขึ้นจำแนกในข้อปัวีธาตุธาต ด, ดินและอาโปธาตุธาตุน้ำ เพราะเป็นสิ่งที่พิจารณาเห็นเป็นของปฏิกูลไม่สะอาดได้ง่ายดังที่รัฐจำแนกเอาไว้อันเรียกว่าอาการสามสิบสองสำหรับที่เป็นส่วนปฐวีธาตุ ขาดดินนั้นที่ตัดจำแนกไว้ก็คือเกศาผมโลมาขนดักขาเล็บดันตาฟันตะโจหนังมังสังเนื้อนาหารูเอ็น อธิกระดูกอธิมินยังเยื่ดในกระดูกวักกังใสอณิยังหูใจยกะนังตับกิโลมากรังพันพืช